แล้วก็จิให้กติข้อคิตเป็นพื้นฐานทางจิตใจจะก่อนหลังจากนั้นแล้วก็จะได้เปิดเสียงธรรมจากเครื่องบันทึกเสียงของลุงตาท่านนั่งสมาธิภาวนาฟังต่อ <c oughs> พูดถึงว่าสถานที่ เหมาะแก่าการศึกษาเหมาะแก่าการฝึกการปฏิบัติตามวัดที่ท่านรักษาความเป็นจะปายะคำว่าจะปาายะคือเป็นสถานที่ ไม่มีภาระไม่มีกังบนเรื่องอื่นอะไรมากอยู่แบบสบายสบายอยู่แบบเป็นอิสระสถานที่จะป่ายะเป็นสถานที่เหมาะสมแจกการฟังและก็เป็นสถานที่เหมาะสมแจ่การฝึกฟังและประลองฝึก ฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องกายของเราฟังเรื่องใจของเราข้อกายของเรานี่เป็นธรรมเรียกว่ารูปธรรมใจของเราเป็นนามธรรม แสดงถึงความสุขก็ดีแสดงถึงความทุกข์ก็ดีก็เรื่องใจของเราเรื่องกายของเรานี่เท่านั้นเรื่องอันอื่นวัตถุสิ่งของภายนอกนะ่ะเขาไม่ได้มาแสดงเรื่องความสุขความทุกข์อะไรกับเรามีไว้เป็นปัจจัยให้พวกเราใจเท่านั้น เดินฝาอากาศเขาก็ไม่ได้แสดงความสุขความทุกข์กับเราฉะนั้นดีแต่เรื่องกายกับใจของเรานี่เท่านั้นเป็นเรื่องแสดงถึงความสุขเป็นเรื่องแสดงถึงความทุกข์โทษเงเรื่องใจ ขณะ น, นี้พวกเรามีจิตมีใจทุกท่านทุกองค์ทุกคนถ้าเรามาฟังอย่างนี้สถานที่อย่างนี้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้พวกเราตั้งใจขึ้นมาตั้งขึ้นมาทำไม ตั้งขึ้นมาเพื่อดูเพื่อศึกษาเลียกกตั้งสติฝึกตั้งสติสตินี้มันเป็นคุณเครื่องคุณค่าของ จ, จิตใจถ้าใจไม่มีสติขาดสติมากขาดสติน้อยถ้าขาดสติมาก ใจนี่มันจะเลื่มตัวมากถ้าขาดสติน้อยก็ค่อยยังชั่วหน่อยถึงจะมากจะน้อยเป็นของที่ไม่ดีถังนั้นเพราะเป็นเรื่องสติเนี่ยเป็นเป็นเรื่องความจําเป็นสำหรับจิตใจนะนะ คุณค่าคุณภาพของสติก็คือเครื่องละลึกโลภละลึกได้ใจเป็นธาตุโรคคุณภาพของสติที่มีอยู่ในใจสติเป็นเครื่องละเลึกโลภละเลึกโ ล, ล, ก, ลกดูใจ ใจของเราในขณะนี้มันมีอะไรเมื่อตั้งใจขึ้นมาดูแล้วมีต่ติลเลึกรู้ดูใจแล้วมันมีอะไรมันสมเกตนาและความตั้งใจสัญชาตะยานจิตใจของเราที่พวกเรามีความต้องการอยู่ไหม สัญชาตญาณจิตใจของพวกเราทุกท่านทุกองทุกคนนี่ต้องการความสุขต้องการความสบายอันนี้คือสัญช า, ชาตญาณของจิตใจและมันมีตามเจตนาตามความประสงค์ความต้องการของเรามากน้อยขนาดไหนความสุขความสบาย สิ่งที่พวกเราไม่ต้องการก็คือปัญหาเรื่องจิตใจความกังวลมากน้อยก่อให้เกิดปัญหาด้านจิตใจฉะนั้นใจของเราแท้แทถ้าเพื่อพวกเราไม่ได้มาฟัง จากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกของใจนั่นแนะพวกเราท่ามกลางกองสังคมบางหมู่บางพวกบางคนแทบจะเอาชีวิตไปไม่รอด และบางคนเอาชีวิตไปไม่รอดจริงๆฉะนั้นถ้าเผื่อเรามาตั้งใจของเราขึ้นมาดูตั้งสติเครื่องเลึกรู้ดูใจควรไหมที่นี่ใจของเราเนี่จะให้มีแต่เรื่องไม่ใช่เรือก กุตโนกุตลาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีสติมีปัญญามีความฉลาดเรามาฝึกความฉลาดให้ใจของเราคำว่าฉลาดนี่ใจของพวกเรามันจะได้เลือก ถ้าใจมีจตติตมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะไม่มีจิตใจของท่านองใดคนคนใดละจะเอาของที่มันมีปัญหามันเป็นทุกข์มาไว้ที่จัดฉะนั้นคำว่าฉลาดฉลาดนี่นะควรจะรู้รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของใจ อ้สิ่งที่มันไม่ดีนั่นน่ะไม่มีใครที่จะเจ็บมาไว้ที่ใจถ้าใจมีเตติมีปัญญาฉลาดแล้วนั่นน่ะยิ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนของเลวลายชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว ฐันชาติยานเกียตใจมันไม่ต้องการมันรับไม่ได้เหมือนกันทําไมอ่ะมันจึงรับไม่ได้อย่างภาษาเรานี่ใจมีความโกรธไม่มีใครหรอกที่จะรับว่าความโกรธนี่เป็นของดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีไม่มีใคร ถ้าตั้งใจดีๆนะตั้งจิตดีๆแล้วทุกคนต้องปฏิเสธตรงนั้นแหละว่าความหลงนี่เป็นของที่ไม่ดีความโกรธก็เป็นของที่ไม่ดีความโลภ ก, ก็เป็นของที่ไม่ดีสัญชาตยานมนึกได้ตรงนี้ก็ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วตะพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าโลภโลกรธหลงนี่ มันเป็นภัยของใจมีน้อยเป็นภัยน้อยมีมากเป็นภัยมากภาษาธรรมตะวกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่ยอมไปอยู่ที่อื่นด้วยนะ ถ้ามันมีที่เจ็บไว้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยเหมือนในทรัพย์สินเงินทองเราเอาไปไว้ในกระเป๋าเอาไว้ในตู้เอาไว้ตรงนั้นตรงนี้ที่เจ็บโลภโกรธหลงมันไม่มีมันมารวมอยู่กับใจนี่อย่างเดียวเท่านั้นตรงนี้นี็เองจริง เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราตั้งใจขึ้นมาตั้งติขึ้นมาเรียนรู้แล้วจะได้เพิ่มเติมความเป็นศีลเพิ่มเติมความเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้นามาใช้นะศีลจะเป็นศีลของพระสงฆ์องค์เนนหรือศีลของฆรวาสอุบาสกอุบาสิกานี่นนะจะเป็นศีลห้า สิแปสิบสิสองร้อยยี่ิเจ็ดอันนั้นคือเป็นบ่อเกิดแห่งความเป็นทุกข์เป็นโทษพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เวน้นให้ละให้เวน้นให้หลีกให้เลี่ยง ถ้าตั้งใจฟังตั้งทติฟังมันรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อในตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วขึ้นชื่อว่าเป็นของที่ไม่ดีแล้วมันนำทุกข์นำโทษให้เกิดขึ้นหร่เป็นบาปเป็นกรรมเหลีกเลี่ยงละเวน อันนี้คุณค่าความดีจากการตั้งใจฟังตั้งตติฟังมันรู้ตัวมันเห็นในสิ่งที่มันเป็นภัยสิ่งที่มันเป็นภัยมันอยู่นอกกายนอกใจของเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งหร้อมันมีอยู่ในกายในใจของเราอีกทีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอาศัยศรัทธาความเชื่อ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษจะบรรเทาเบาบางออกจากกายจากใจของพวกเรานี่จะมามองมองหาเหตุหาผลมันขึ้นชื่อว่าเป็นของที่ไม่ดีนำทุกข์นำโทษให้เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าสอนให้กลัวสอนให้ละอายแล้วสมบัติอันดีของพวกเรานี่จิตใจของพวกเรายังเป็นมโนสมบัติให้มีแต่ทายเชื่อว่าใจของเราเป็นทาทตุโลหิตเมื่อระลึกโลกขึ้นมาได้ใจของเราเตติของเราสามารถที่จะ พาความสำนึกด้านจิตใจเลีกเลี่ยงจากความโลภความโกรธความหลงตัณหาในทางที่ผิดเลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นในใจของพวกเราในความรู้สึกของพวกเราเราจะพยายามฝึกพยายามฝัง เอาใจของตัวเองนี่แหละหลีกเลี่ยงจากความโลภความโกรความหลงให้มันน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงมากเท่าไหร่หมดจากดวงจิตดวงใจนั่ น, เ, นเป็นของที่เลอเลอิเศเป็นเสิร์ตสุด เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอริเจ้าสาวกสาวิกาศรัทธาในแนวทางแห่งการปฏิบัติตั้งใจตั้งสติฝึกสมาธิพระพุทธเจ้าพระอริเจ้าสาวกสาวิกาฝึกสมาธิ ฝึกตั้ง ต, ติตฝึกสมาธิมีสิ่งเป็นพื้นฐานให้พวกเรามีตถาเชื่อมั่นตามแนวทางอันนี้ทางอื่นไม่มีฉะนั้นจึงให้มีการเรียนรู้ในเหตุในผลมีตติมีสมาธิ ทำจิตใจให้มีความหนักแน่นตั้งมั่นปัญญาลอกรู้ในเหตุในผลผลสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจของพวกเราให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการมีความสุขความสบายไนดะ้จึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกเพราะใจของเราเราควรจะหาเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ถ้ามันเกิดขึ้นมีขึ้นกับใจของเราทันนั่นแะเรื่องใจของเรามือควรมาเรียนรู้อย่างที่ว่านี่แหละเมื่อเรียนรู้เรื่องใจเรื่องเรื่อกายทีเนี้ยกายของเรานั่นนะ่ะขนาดที่พวกเรานั่งว่านั่งอยู่สบายสบายเนี้ย แต่แล้วเรื่องของกายนั่นลูกสังขารร่างกายแก้งขาหลังเอวนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในความต้องการความสำนึกของเราตั้งหน่อยหลักภาษาธรรมท่านพูดไว้ว่า สิ่งที่มีในรูปร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นขันขันทะขันทะแปลว่ารวมเรื่องสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการนะมารวมไว้มากองไวขันทะแปลว่ากองความทุกข์ มันก็นมากองอยู่นี่พระพุทธเจ้าโกหกที่ไหน่ะแล้วพวกเราเนึกไม่ว่ารูปร่างกายของพวกเราเนี่นะ่ะตามความจริงแล้วก็คือกอนทุกแช่งขาหูตาอาวัยวะทุกสัดส่วนนั่นแหละอันอื่นจริงอยู่ที่มันไม่ปรากฏแต่แล้วมันก็สิ่งที่มัน แสดงความเป็นทุกข์มันมีตั้งแต่ศตรีรษะตรงถึงพื้นเท้าเฉเดียวถ้าไม่เชื่อลองเอาอะไรแหลมแหลมไปทิ่มไปแทงลงตรงที่มันไม่ปรากฏความเจ็บความปวดดูเิ้ามันจะมีที่ไหนเป็นเว้นเว้นที่ความเจ็บความปวดมันไม่มี จะพูดถึงว่าความทุกข์มันก็นมักองอยู่นี่ความเท่าเาจสจาคํำค่าเนี่ยความจริงเราต้องการอายุยืนยาวนานมันส่วนกับความสำนึกจริงๆแล้วอายุยืนยาวนานไปหลายสิบปีไปเท่าไหร่ ธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่พวกเราเลี้ยงไม่ได้ก็คือความแจ็มันจะไปขนความแจม่มากองมากองมากองมากองเขาร่างกายนอนนี้มันมีแต่ความแจ็ยิ่งดีแล้วความเจ็บใครได้ป่วยมันก็มากองอยู่นี่ที่พูดถึงตรงนี้ เพื่อเป็นการปลุกความสัมนึกของพวกเราว่าชีวิตของพวกเรานี่ยนะมันไม่ได้ยืนยาวนักหนาอะไรเพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงแค่นั้นถ้าหายใจออกไม่กลับเข้าจบหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกนั่นก็จบ แล้วจะบังเอาอะไรอีกในท่ามกลางความสมมุติของความเป็นโลกเป็นมนุษย์นี่ยถ้าเผื่อยังมีชีวิตอาศัยอยู่ในท่ามกลางของโลกของความเป็นมนุษย์ควรจะรู้ตัวว่ากำไรของชีวิตนั่นะ ควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเกิดความมัวเมาประมาทเพราะอำนาจจีเรตัญหาลาคะตามมาตัญหาปะวะตัญหานึกไม่ถึงจริงๆว่ามันสิ่งที่เลวร้วายมันขวางหน้าเราอยู่ ถ้าเพื่อพวกเรามาตั้งใจฟังตั้งสติฟังตามความเป็นจริงที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องใส่อะไรใครที่ไหนสัจจะความจริงที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าอริยสัจสัจจะความจริงแต่ยกใดสมัยใดอดีตที่ผ่านมามันก็มีอยู่อย่างนี้ปัจจุบันมันก็มีอย่างนี้ อนาคตที่ไปข้างหน้ามันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ว่าสัตว์จากของจริงฉะนั้นใจของพวกเรารรมันอยู่ในถ้ำกลางในสิ่งที่ไม่เป็นสาระควรจะรีบเดงเลือกเป็นให้ใจของพวกเราฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางในสิ่งที่ไม่ควรจะไปให้ความหมายและยึดถือเอาไว้ เป็นเรื่องของศีลของธรรมของบุญของกุศลอันนี้มันเป็นทนและเป็นกําไรทนก็คือเป็นบุญพาพวกเรามาเกิดกําไรต่อไปข้างหน้าที่เนี่ยหมายแลในใจดวงนี้มันแย่มันตายไม่เป็นจุติออกจากก่างให้มีความดีพาอยู่พาไปอันนี้ต่างหากนะหน้าที่ของพวกเรา เข้าสู่สถานที่ที่ควรจะศึกษาคือได้ยินได้ฟังอย่างที่ว่าและก็ฝึกปฏิบัติของใครของเราฝึกกำลังใจฝึกกำลังจิตเพื่อให้เกิดเป็นกำลังสมาธิมีเจติมีปัญญาเลือกเฟ้นเลือกเฟ้ น, เ ล, เ, ฟนเลือกเฟ้นความหมายอะ่ะเอาทีนี้ต่อไปนั่งสมาธิต่อฟังทำ <c oughs> คนฟังให้มันเข้าถึงใจลงถึงใจถ้าฟังไม่ลงถึงใจมันไม่เข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจเพราะเสียงธรรมนั้นน่ะมันไม่ลงถึงใจส่จวนมากมันเข้าตำราว่าออกหูหนึ่งเข้าหูหนึ่งมันออกหูหนึ่งใบ ทำยังไงเราจะมาฝึกฟังแล้มันลงถึงใจจะเรียกว่าฟังแล้วเข้าใจทำไมมันยังลงถึงใจยากแท้มันเป็นกฎธรรมชาติอีกละขึ้นชื่อว่าเสียงสินเสียงธรรมนี่เพราะใจมันเป็นที่อยู่ของกิเลสโลโภโกรธหลงอยู่แล้ว แต่นั้นอันนั้นมันมาปิดไว้ปิดเสียงศีลเสียงธรรมปิดความเป็นศีลเป็นธรรมนี่ไว้ไม่ให้ศีลธรรมมันลงถึงใจเพราะศีลธรรมลงถึงใจอ จ, จิเลตมันเดือดร้อนดังนั่นคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราฟังแล้วใช่ ค, ควรพิจรารณา ใจของเราถ้าเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสินธรรมขึ้นว่าสินธรรมนี้ไม่มีเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยตัดดวงจิตดวงใจของบุคคลผู้ใดอดีต ท, ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและไปข้างหน้าขึ้นชื่อว่าสินธรรมให้แต่ความร่มเย็นให้แต่ความสงบอบอุ่นให้แต่ความสุขความสบายถ้าสินธรรมมีน้อยแต่ความสงบอบอุ่น ความสุขความสบายมันก็นมีน้อยถ้าสินธรรมเข้าสู่จิตใจมากความสุขความสบายก็มีมากมันต่างกันกับเรื่องกิเลสโรคโกรธห ล, ลงถ้าจิเลโรคโกรธห ล, ลงมันมีมากใจนี้จะร้อนเป็นฟืนเป็ น, นไฟไปเลยแลยอันนี้ต่างหากนะการฟังให้เข้าใจเรียนรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านเข้าใจการฟังการฝึกการฝึกการฟังมันเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะใจของพวกเราไม่ใช่ใจใจของผู้อื่นที่เป็นทุกข์กับใจของพวกเราเป็นทุกข์ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็ไปกัเพื่อนาเข้าไปแก้ความเป็นทุกข์ของกิเลสตัณหานั่นเองผ่านเข้าใจการฟังการฝึก ในสถานที่จะปายะเป็นสถานที่เหมาะสมแจ่าการฟังการฝึกใวันนี้เรียงเจนนี้ก่อนเริ่มเปลี่ยนี่บทของกครของเร า, เาที่นี่